วิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็ม 89.5 เมกะเฮิร์ตซ์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 ดูทีทีทีฟาร์มชอบยินดีดต้อ ง, องรับค่ะคที่นี่เระว่างจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร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 มหาวิทยาลัยเทคโนรยุราชมงคลธัญญาบุรีครับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับบังรายการ My Computer ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุราชมงคลธัญญาบุรี สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ My Computer ค่ะดาริสาตรักกูลเก็กพร้อมด้วยคุณปิยพงศ์เคนถวายนั่นเองนะคะสวัสดีครับผู้ฟังครับเจอกันในช่วงเวลานี้นะครับมาดูอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีกันหน่อยนะฮะ ไอที <IT S 2> ะนะฮะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างนะฮะเริ่มต้นกันในวันนี้นะครับผู้ฟังกันนะฮะชอบชิมชอบใช้การเฟสสามมาแล้วเตรียมตัวการให้พร้อมหรือยังโมกุลบอกว่าเฟสสามจะสมัครดีไหมอ่ะอะไรเงี้ยเขาให้ใช้ใช่แค่กระเป๋ากระเป๋าสองใช้แค่กระเป๋าสองเหมือนเป็นคนแบบมักได้แต่แบบไม่ใช่อ่ะบางทีแบบเหมือนแบบเสียใจอ่ะเสียใจเพราะว่าหนึ่งกับสองไม่ทันไม่ไ<ห>ม่โมกุลบอกว่า แบบเหมือนแบบอะไรนะอ่าหนึ่งสองเขาได้ตังกันไงแต่สามทำไมไม่ได้ไงทำไมลดลงเรื่อยๆใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อะคือจริงๆเขาอยากให้ใช้เงินเงินตัวเองอะค่ะอันนี้เป็นแบบมาตรการของใช้เงินตัวเองแต่ว่าได้เงินคืนมาเป็นแคชแบ็คไงอันนั้นคือแบบผลพลอยไดทีหลังไงแต่คนเขาบอกว่าทำไมไม่ให้ชั้นก่อนนะอะไรเงี้ยอ้าวคาดว่าเฟดสามมาแล้วนะจ๊ะให้ใช้ยาวกันข้ามปีมั่วฟังกันครับถึงสิ้นเดือนมกราคมเลยนะฮะวงเงินคืนสูงสุดอ่ะเขาก็แบบ เพิ่มเพิ่มเพิ่มมีโปรโมชั่นแบบมาหลอกล่อเรานะฮะวงเงินคืนสูงสุดแปดพันห้าร้อยบาทไม่เกินนะคะอ่าไม่เกินคือสูงสุดแล้วมักซิม่าแล้วนะฮะก็คือใช้ในตัวสองหมื่นนะหลังจากสองหมื่นแล้วก็ไม่เกินห้าหมื่นมารอบที่แล้วคืนสี่พันห้าร้อยบาทอ่าแล้วก็คูณเข้าไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะหลังจากที่จากสองหมื่นอะไรอย่างเงี้บวกขึ้นไปนะครับแต่ก็สูงสุดแล้วไม่เกินนี้นะครับก็ยังนึกไม่ออกหรือว่าเหมือนเราใช้วอลเล็ตวอลเล็ต แม่ผมยิงนิ้วไปบอกว่าเอ๊เราจะใช่ถึงหมื่นไหมเลยไม่น่าถึงเนาะแต่ว่าอันนี้ใช้ได้ที่ไหนก็ได้ค่ะ ในแบบว่าดิฉันอยู่กรุงเทพก็ใช้กับกรุงเทพก็ได้ค่ะชิมช็อปใช่เงี้ยไม่แต่บางทีคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มีมีวอลเล็ตของตัวเองอยู่แล้วสะสมต้องสะสมแต้มอยู่แล้วแต่ตอนนี้แอปพลิเคชันที่เป็นวอลเล็ตเยอะมากๆไปดูจะใช้ไหนกดเข้าไปในในนะเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบกลุ่มใช่ไหมค่ะมันจะมีเป็นโฟลเดอร์กดเข้าไปปุ๊บโอ้โหไม่รู้จะใช้อันไหนดีเลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าเดี๋ยวเจ้านี้อันนี้ก็มีเจ้านี้นี้ก็มีนะฮะแล้วก็แบบว่าค่ากันด้วยโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะฮะอ้าวก็มาดู กันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าชิมช็อปใช้เฟส3 ม, มาแล้วนะคอรมออนุมัติให้ใช้ทุกจังหวัดเรวมถึงสามารถใช้ในภูมิลำเนาของตัวเองได้ด้วยนะจ๊ะชิมช็อปใช้เฟส3เปิดลงทะเบียน2ล้านคนอะกระเบิดมาแล้วนะจ๊ะจแล้วก็ขยายใช้งานจะถึงสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าการใช้รอบนี้เนี่ยนะครับก็จะ ล็อกสิทธิ์ไว้ให้อารมณ์ประมาณนี้นะล็อกสิทธิ์ให้คนที่มีให้ผู้สูงอายุห้าแสนคนอีกแสนห้าเนี่ยก็ทั่วไปนะจ้ะแล้วก็มาตรการก็ถึงสามสิบมกราคมหกสามชีมจะใช้เฟซสามีเงื่อนไขสำคัญคือเน้นกระตุ้นในการใช้เงินกระเป๋าสองของแอปกระเป๋าตังค์แล้วก็จะคืนเงินสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดไม่เกินแปดพันห้าร้อยบาทคือใช้คุณต้องเติมเงินเข้าไปใช้เนี่ยแบบหนักหน่วงห้าหมื่นบาท คือจริงจังอ่ะใช้จริงจังอ่ะรอบนี้รอบสามย้ำว่าไม่มีเงินพันบาทในในกระเป๋าแรกนะจ๊ะจะจะมีกระเป๋าสองถ้าจะมีก็ต้องเติมเงินเข้าไปอ้าวก็ถือได้ว่าก็น่าจะเริ่มต้นใช้งานกันแล้วแต่คนไหนที่เฟดสองหรือเฟดหนึ่งยังใช้งานอยู่ก็ ของเฟสสองก็ขยายเหมือนกันนะก็ขยายไปเรื่อยๆไปถึงมักกะลาเหมือนกันใช่เพราะปกติของดิฉันได้เฟสสองใช่ไหมก็จะสุดแค่วันที่สิบแปดอันนี้แบบเปลี่ยนขยายไปถึงมักกะลาไปเรื่อยๆอ่าใครที่ รักษาสิทธิ์อ่ะคือบางคนบอกว่าในช่วงผมรู้สึกว่าประมาณช่วงระยะสิบห้าวันแรกหรือเจ็ดวันแรกอ่ะที่จะต้องรีบใช้เงินให้หมดใช่ใช่รีบรีบไม่ใช่ให้หมดให้หมดให้เงินให้หมดคือรีบใช้เงินตามที่เราลงทะเบียนไว้จังหวะนั้นนั้นต้องใช้เงินบางส่วนถ้ามีการใช้แล้วก็สามารถใช้ไปเรื่อยๆแต่บางคนบอกว่าไม่เป็นไรฉันใช้ให้หมดเลยนะฮะใช้หมดแล้วผมใช้หมดแล้วคุณลองฟังไปกันที่เฟซบุ๊กกันหน่อยนะจ้าเฟซบุ๊กเปิดตัว โลโก้บริษัทแล้วอเขาบอกว่าแยกออกจากแอปพลิเคชันปกติทั่วไปที่เราใช้เป็นค น, คนทั่วไปอะค่ะคุณคือบางทีเนี่ยบางบางคนเขาใช้เฟซบุ๊กเพื่อเปิดบริษัทขึ้นมามเป็นตัวบริษัทอะไรอย่างนี้ทีนี้เฟซบุ๊กเขาก็เลยประกาศตัวโลโก้บริษัทเฟซบุ๊ก inc แยกออกจากโลโก้แอปโซเชียลมีเดียปกติที่ใช้เป็นเฟซบุ๊กเหมือนเดิมนะคะคือแต่ละเขาบอกว่าแต่แต่การออกแบบฟอนต์อะไรอย่างนี้โลโก้ก็ยังเป็นเฟซบุ๊กเหมือนเดิมนั่นแหละ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโลโก้เฟซบุ๊กเนี่ยเดิมนะนานทีสิบห้าปีเนี่ยโลโก้บริษัทก็เป็นเฟซบุ๊กที่พิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมดมเลยแปดตัวนะค ะ, ะพิมพ์ตัวใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้เพิ่งรู้ให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างโลโก้เฟซบุ๊กแล้วก็แบบของบริษัทที่แสดงถึงความเขาเรียกว่าเป็นโลโก้ของเฟซบุ๊กเองเนั่นแหละสำหรับแอปพลิเคชันที่เป็นแอปโซเชียลมีเดียที่คุ้นเคยกันนะคะแล้วก็โลโก้เฟซบุ๊กแบบบริษัทมีการเปลี่ยนสีไปด้วย คือถ้าเป็นแบบบริษัทจะมีแบบอาจจะเป็นเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งเปลี่ยนโทนสีแต่ว่ายังคงความคอนเซ็ปเป็นเฟซบุ๊กอยู่ให้สะท้อนถึงมันยังอยู่ภายใต้ของเฟซบุ๊กนะอย่างเช่นวัตแอมป์นะคะจะเป็นสีเขียวอินสตาแกรมสีชมพูแล้วก็อื่นอย่างเช่นแมสเซนเจอร์โอคูลัสนะคะเบิร์กสเพรสแล้วก็ อื่นๆของในเครือเฟซบุ๊กอีกเขาก็จะมีสีประจำตัวของเขาเองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เห็นได้ชัดนะคะบนแอปพลิเคชันในเครือของเฟซบุ๊กเองคะ่ะอินสตาแกรมก็จะมีโลโก้ฟอมเฟซบุ๊กเข้าไปด้วยติ่งท้ายว่าแบบของฉันนะอย่างนี้ก็มาเครือเดียวกันของเฟซบุ๊กสะท้อนสื่อความหมายโดยบริษัทเฟซบุ๊กนั่นเองคะอ่ะซึ่งจะเริ่มเปลี่ยนแปลงหน้าตาแอปพลิเคชันในเครือต่างๆของเฟซบุ๊กในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับผมเ อ, มอาเฟซบุ๊กเองนะฮะมีการสนับสนุนแบบการแบบ โฆษงากันมาคุณผู้ฟังกันนะฮะคุณเห็นไหมเฟซบุ๊กเกมมิงใช่เขียนว่ารับชมแชร์และก็เชื่อมต่อนะฮะเป็นแบบเฟซบุ๊กแล้วก็มีตัวคำว่าเกมมิงเนี่ยเฟซบุ๊กก็ปกติแหละเป็นตัวเล็กเป็นตัวเล็กนะฮะพิมพ์เขียนด้วยตัวเล็กแล้วก็เกมมิงก็เป็นตัวเล็กเขาบอกว่ามาสนุกและพบกับเหล่าครีเอทีฟครีเอเตอร์มากมายนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นชุมชนการเล่นเกมนะมีการโปรโม มีการโปรโมทกันไปบางส่วนและ้วแต่แต่อย่างไรก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นเป็นอีกโลโก็อกอหนึ่งที่เขาเอามาจับกลุ่มะนะฮะอ้าวยูทูบนะฮ ะ, ะอ้าวเพิ่มอะไรขึ้นมาแจ้งไปเม<า>ื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนา ะ, ะว่าเขาจะมีการที่แบบว่ า, าให้จ่ายเงินแล้วคุณจะได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมาย จริงๆก็เป็นการสกรีนคนการคนใช้งานนะฮะเตรียมเพิ่มกฎแล้วก็สามารถพิจารณาลบบัญชีผู้ใช้ที่ทำเงินไม่ได้ด้วยอุว้ยน่ากลัวจังเลยอะ่ะอันนี้คือน่าจะเป็นชแนลหรือเปล่าเออนะฮะอ้อาวสิบธันวาคมปีนี้นะครับเว็บไซต์ยูทูบเองก็จะประกาศปรับปรุงข้อกำหนดในการให้บริการทางหน้าเว็บไซต์ซึ่งมีกฎใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามา คือการสิ้นสุดการใช้งานโดยยูทูบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบริการของยูทูบอาจบอกเลิกการเข้าถึงของคุณหรือการเข้าถึงบางส่วนหรือทุกส่วนโดยบริการจากกูกเกิลของคุณนะครับโดยกรณีนี้นะครับยูทูบเองอเชื่อโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองเพียงฝ่ายเดียว<ฆ>ว่าการให้บริการแก่คุณ น, นั้นไม่สามารถใช้งานได้ในเชิงพันธุ์นิตอีกต่อไปอนะฮะ เมื่อบันดาครีเอเตอร์ยูทูบได้เห็นก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงและอุก ป, ปัทุกนะฮะขึ้นมาทันทีเพราะตีความแบบพื้นฐานแล้วว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยหากยูทูบดูแล้วไม่สามารถสร้างไรายได้จากบัญชีของคุณก็อของคุณได้ ก็มีสิทธิพิจารณาลบบัญชีดังกล่าวได้ทันทีแต่ไม่ใช่แค่บัญชียูทูบแค่อย่างเดียวนะอาจโดนหางเล่ไปถึงทุกบริการของกูเกิลด้วยสำหรับแนวทางในการให้บริการนโยบายนี้เขาจะว่ากันอย่างไรคือคำว่าการให้บริการในเชิงพาณิชย์จะเป็นอย่างไรคงต้องรอดูไทยห้าทีนะฮะของยูทูบอีทีหนึ่งจะมีการชี้แจงว่ า, าประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะหลายคนบอกว่าฉันก็ทำไม่ได้ว่าจะหาไรายได้ใช่คือบางทีเนี่ยออกหัวข่าวมารู้เลยว่าแบบ อ้าวแล้วฉันล่ะฉันล่ะทุกคนเลยฉันล่ะฉันเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างงี้ฉันก็ไม่ได้จะเป็นยูทูบเบอร์นะฉันแค่เป็นยูเซอร์นะฉันแค่อยากใส่คอนเทนต์ตัวเองนะเอาไว้ดูเล่นเล่นแค่นั้นพอนะได้ไหมไปที่วิดทวิตเตอร์กันบ้างเคยมั้ยฟังเขาทำอะไรเขาจะเพิ่มลูกเล่นใหม่ฟอลโลหัวข้อที่น่าสนใจได้ให้เราเหมือนแบบ ติดตามข่าวสารนี้เหร อ, อแบบเว่ยการเมืองอ่าหรือแม้เป็นเกาหลีอะไรอย่างนี้ท่องเที่ยวญี่ปุน่นคือเหมือ น, บบนเรากดเข้าไปถ้าเป็นในเฟซบุ๊กถ้าเรากดเข้าไปสนใจอะไรมันก็จะแบบว่ามาเลยจ้ามาเต็มเลยที่เราเข้าไปดูนะคือหลังจากทวิตเตอร์มีการทดสอบคุณสมบัติใหม่อันนี้หลายเดือนหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะในที่สุดคุณสมบัติที่ชื่อว่า follow topic ติดตามหัวข้อเริ่มปล่อยออกมาใช้งานเป็นทางการค่ะอันนี้อัปเดตไปแล้วตั้งแต่น่าจะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ใช้งานได้ทั่วโลกนะ สิบสามพฤษจิกายนเป็นต้นไปโดยเขาจะมะีเป็น follow topic เป็นคุณสมบัติที่อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกติดตามหัวข้อที่สนใจได้มากกว่าสามร้อยหัวข้อกีฬาดาราเกมอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยจากนั้นผู้ใช้เนี่ยจะเห็นทวิตเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวที่คุณสนใจในหน้าโฮมของคุณเองค่ะซึ่งจะมีประโยชน์มากๆสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข่าวสารในส่วนนี้นะคะ อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าลอฟบิชช OP นะคะจากฝ่ายผลิตภัณฑ์ของทวิตเตอร์เองเนี่ยบอกเพิ่มเติมว่ากำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของทวิตของผู้ใช้ทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อนะคะจะมีโอกาสที่จะนำมาแสดงบนพื้นที่ด้วยแต่ว่าทั้งทีมงานกำลังหาทางแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคกันอยู่นะแล้วก็อาจจะมีแบบทำให้หน้าฟีดของผู้ใช้งานบางท่านแบบอาจจะติดสแปมอะไรเงี้ย แล้วก็คุณสมบัติใหม่อันนี้นะคะจะช่วยดึงดูดให้คนหันมาใช้ทวิตเตอร์มากขึ้นคือตอนนี้ก็คนใช้เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะเพราะว่าข่าวสารต่างๆมันก็เร็วเหมือนกันเร็วมากจากแท็กที่ก่อนหน้านี้เคยเคยติดตามนะฮะคนก็แบบอุ๊ยอะไรเหรออย่างเร็วอ่ะต้องไปสมัครทวิตเตอร์แล้วก็ติดตามดูแล้วก็ไปดูในแท็กเองใช่บางทีเข้าไปในแท็กก็ยังไม่รู้เลยว่าคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องอะไรงงกันอยู่นะงงงงอยู่อ่ะกว่าจะเข้าเข้าใจกันก็เขาจบเรื่องนี้กันไปแล้วนะฮะเอามาดูเรื่องราวของสต ทั้งเน็ตฟลิกซ์แล้วก็ด、mm、ิสนีย์กันหน่อย ดิสนีย์พาร์ทเองจะเปิดให้บริการในสามประเทศแล้วนะจ้าคุณผู้ฟังค่ะบริการสตรีมมิ่งจากดิสนีย์เองเนี่ยจะให้บริการที่อเมริกากันก่อนแคนาดาแล้วก็เนเธอร์แลนด์ค่ะโอ้โหจะดีจะรู้เสียใจที่บ้าน <c oughs> เรายังไม่มีบริการนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตา ม, มาาราคาของเขาก็อยู่ที่หกจุดเก้าเก้าเหรียญต่อเดือนนะครับบริการนี้ดูได้ทั้งแอนดรอย iOS อะเมซอนอะไฟทีวีไฟโอเอส Xbox One PS4 LG เว็บ อ่าโอเอสนะครับซัมซุงสมาร์ททีวีทดลองใช้เจ็ดวันนะจ๊ะฟรีเน็ตฟริกได้กี่วันนะเน็ตฟริกหรอเดือนหนึ่งปะเดือนหนึ่งนะน่าจะนะน่าจะดิสนีย์ได้เจ็ดวันนะจ๊ะคุณผู้ฟังนะฮะอ้าวตอนนี้เปิดตัวแล้วนะครับมีภาพยนตร์กว่าห้าร้อยเรื่องทีวีซีรีส์ต่างๆรวมกว่าเจ็ดพันห้าร้อยตอนมีบริการบนสตรีมมิ่งใหม่ๆนะครับทั้งมาเวลสตาร์วอลในช่องแอลจีโอกราฟิกโออันนี้ก็เป็นเป็นแบบซีรีส์ที่ ทุกคนติดตามอยู่พอสมควรหนังเก่าๆของทางดิสนีย์เองนะครับดิสนีย์พลัส นอกจากที่จะให้บริการในสามประเทศแล้วนะครับยังเตรียมตัวเปิดตัวในออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์โอ้อขยับมาใกล้บ้านเร า, าแต่ก็ยังไม่ถึงนะฮะเพราะว่ายังมีที่สหรัฐสหรัฐอเมริกาเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและก็สเปนในปีหน้า <31 S 1> ส่วนทางมคที่เหลือก็ยังเงียบรอยต่อไปเน็ตฟลิกกันบ้างนะฮะจริงจริงมันมีข้อถกเถียงนิดนึงว่าแบบไอ้ออกเสียงถูกหรือเปล่าคะคุณเขาบอกอ๋อออกเสียงต้องออกว่าอะไรนะเน็ตฟลิก เน็ตฟลิกส์ขอเป็นเน็ตฟลิกส์ก่อนและกันน ะ, อะเอาบ้านเราเนี่ยแหละเน็ตฟลิกส์นี่แหละนะฮะเน็ตซัมซุงสมาร์ททีวีรุ่นเก่าอาจจะใช้บริการแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกส์บนทีวีไม่ได้นะคะคือคุณไม่ได้ไปต่อนเองอบางรุ่นบางรุ่นบางรุ่นใช่คือซัมซุงเนี่ยมีการประกาศออกมานะคะด้วยเหตุผลทางเทคนิคบางอย่างคือสมาร์ททีวีรุ่นเก่าอันจริงจริงรุ่นเก่าที่บ้านก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเน็ตฟลิกส์นะคะแล้วก็ที่ผลิตในช่วงปี2010 2011เนี่ย เขาบอกว่าอาจจะไม่สามารถใช้งานได้นะคะถ้ า, าใช้บริการแอปพลเิเคชันของเน็ตฟลิกซ์จริงๆบนสมาร์ททีวีได้โดยตรงก็คื อ, อหนึ่งธันวาคมปีสองพันสิบเก้าเป็นต้นไปเขาบอกว่าถ้าถ้าสังเกตให้รุ่นก็คือเป็นโมเดลโค้ดซีหรือดีผูว้ใช้สามารถเช็ครุ่นซัมซุงสมาร์ททีวีที่ใช้งานกับเน็ตฟลิกซ์ได้นะคะในเว็บไซต์ก็เว็บไซต์อ า, อาจจะต้องไปเซิร์ชกันดูนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับ สมาร์ททีวีรุ่นที่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางบริษัทซัมซุงมีการชี้แจงมาว่าคุณสามารถรับชมได้ตามปกตินะคะเพียงแต่จะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันบนบนสมาร์ททีวีได้โดยตรงอาจจะเป็นการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์อะไรนี้หรือว่าเป็นการใช้สายต่ออะไรแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถเปิดได้โดยตรงจากแอปพลิเคชันที่โหลดมาเป็นการแบบว่า สตรีมมิ่งมีเดียเพลเยอร์แบบนี้เนี่ยทุกรุ่นจะสามารถรับชมเน็ตฟลิกซ์ได้นะคะเพราะทั้งบริษัทเองบริษัทที่ชื่อว่าโลคุเนี่ยได้ออกมาประกาศว่าสตรีมมิ่งมีเดียเพลเยอร์บางรุ่นของค่ายโลคุนะคะเขาก็ไม่สามารถรับชมเน็ตเน็ตฟลิกซ์ได้เหมือนกันตั้งแต่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยน่าจะ ไม่มีผลกระทบอะไรสำหรับประเทศไทยสักเท่าไหร่เพราะว่าทางบริษัทซัมซุงเนี่ยยืนยันแล้วว่ารุ่นโมเดลดังกล่าวนะคะเปิดขายเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นหมายความว่าในโทรทัศน์ซัมซุงทีวีเนี่ยในไทยไม่มีรุ่นนี้ค่ะคุณแล้วก็แคนาดานะคะนอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจเช็ครายชื่ออุปกรณ์ที่สับพอร์ตแอปพลิเคชันของเน็ตฟลิกซ์ได้นะคะที่เว็บไซต์ h t t p colon slash slash device dot netflix.com ค่ะคุณครับผมอ่านะฮะก็เป็นเรื่องราวกันนะฮะไปปิดท้ายกับเรื่องราวของในบ้านเรากันหน่อยไหมฮะทางรัฐเองออกมาสร้างแอปพลิเคชันใหม่เพื่อฟังกันนะฮะอ้าวเตรียมโหลดหรือยังจ้ะนะฮะตอนนี้แอปพลิเคชันเต็มไปหมดเลยอ่ามันจะคือเรื่องไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีคือเรื่องไม่รู้ว่าจะลบอะไรทิ้งเต็มไปหมดเลยอ้าวชื่ออะไรดีนะอันนี้รัฐบาลขอบคุณ เปิดตัวแอปใหม่เขาใช้ชื่อว่าทักไทยนะจ๊ะทักไทยคือ T A G T H A เป็นตัวใหญ่หมดคือถ้าสมมติไม่มี I เป็นตัวเล็กถ้าไม่มีซับไตเติลข้างหลังเนี่ยดิฉันจะอ่านว่าแท็กไทยอืมแท็กไทยนะก็เป็นทักไทยนะจ๊ะก็ร่วมมือกับทางภาคเอกชนนะฮะ40กลุ่มงานมารวมแพลตฟอร์มกันนะครับให้ข้อมูลเรื่องของการท่องเที่ยว การจองเที่ยวบินนะครับวางแผนการท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็มีทีมมาพัฒนาด้วยนะครับแอปแอปพลิเคชันนี้นะครับก็เขาบอกว่ า, ารวมโปรโมชั่นพิเศษซื้อบริการราคาถูกกว่าซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำทุกอย่างที่กล่าวมานี้ไม่ต้องสลับหน้าไปอยัางแอ ป, ปอื่นนะครับ ยังรวมข้อมูลแผนที่การท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยังใช้เวลาในการสร้างแผนที่ท่องเที่ยวเองได้ด้วยะนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเงินที่ต้องใช้คร่าวๆให้อีกนะครับฟีเจอร์นี้นะครับก็สามารถแจ้งเตือนได้ด้วยนะเผื่อแบบนักท่องเที่ยวต่างช่องต่างชาติ ค, คือแบบอันตรายก็ยใช้แบบไอเอสโอเอสนะฮะในแอปนี้คือเปิดทันไหม นั่นดิประเด็นคือเปิดทันไหมเพราะว่าเราไปเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ถ้าสมมติว่าวิ่งสมมติว่าวิ่งนี้วิ่งนี้อยู่วิ่งนี้อยู่ก็ทันไหมอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ถ้าแบบนั่งอยู่แล้วแบบคาดว่าอันนี้อันนี้อาจจะทันนะฮะแต่การเชื่อมแจ้งเตือนแบบนี้เขาจะไปที่ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจดีเอสไอประมาณนี้นะฮะตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะรองรับสามภาษามีไทยมีจีนมีอังกฤษทำให้ชาวต่างชาติดาวโหลดได้ง่ายนะครับอ่าบริการของเขาอะไรกันบ้างจองสปารถโยนรถเช่าสวนสนุกนะฮะการสร้างคอนเทนต์โดยผู้รีวิวรีวิวที่เที่ยวได้ด้วยแล้วก็การใช้งานข้อมูลอีวีซ่าเนี่ยนะฮะก็ มีการจับมือกันกับทางธนาคารกรสิกรไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขุนชวันหน้าก็จะผูกเรื่องของกระเป๋าเงินเข้าไปอีกใช่ใช่นะฮะกระเป๋าตังผูกกับกุ้งไทยค่ ะ, ะแล้วก็อันนี้ก็ผูกกับอีกธนาคารจ่ายผ่านอันนี้แล้วได้ส่วนลดอะไรนี้อา น, นะฮะอ้าวก็ลองดูนะฮะว่าจะสำเร็จไหมอย่างไรนะฮะก็ คือตอนนี้ก็ต้องออกแอปไปแข่งกันอะใช่แล้วอย่างที่บอกอะค่ะคุณฟังเพราะว่าตอนนี้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับอย่างเงี้ยมีเยอะมากมากเลยเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นวันเลตก็ตามนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันท่องเที่ยวก็ตามคือไม่ใช่แบบว่าท่องเที่ยวจ่าขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบแอปพลิเคชันที่แบบเกี่ยวโยงกันอย่างเช่นคู่กัน ร, ระหว่างการจอง ตัวเครื่องบินพร้อมที่พักการจองตัวเครื่องบินเนี่ยมีแอปพลิเคชันเยอะมากๆคือโฆษณากันไม่หวัดไม่ไหวนะตอนนี้นะคะลองใช้กันดูละกันว่าใครถนัดในในแอปพลิเคชันตัวไหนหรือว่าฉันชินใช้นี้ฉันใช้นี้ก่อนเอาตัวใหม่ออกมาลองใช้ไหมล่ะเออถ้ามีโปรโมชั่นดีก็เตรียมตัวละกันเดี๋ยวน่าจะเปิดตัวในเร็วนี้นะครับใช่ค่ะทายอ่ะฝากเนื้อฝากตัวกันไม่หน่อยนะทายทายนะคะไม่ใช่แท็กไทยอ้าวก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทางภาครัฐพยายามจะแบบ สร้างนะฮะาาการเชื่อมโยงการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวคือ<ท>ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ target ของคนไทย อ, ะอ่ะอาจจะเป็น target ของต่างชาติาใช่ใช่ใช่เพื่อเพื่อนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพราะว่ามันก็มันก็เหมือ น, นแบบใครมาเที่ยวไทยแล้วก็อยากจะไปเที่ยวด้วยตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะเหมาะควรเหมือนกันต้องหาทางนะแบบนักท่องเที่ยวมาอุ้ยดาวน์โหลดสิคือต้องไปพีอาร์แถวๆไหนอ่ะสนามบินสนามบินต้องสนามบินนะ อ่าดาวโหลดน้อยหรอะไรเงี้ยติดอีกคิวอาร์โค้ดให้สแกนเลยเพราะว่าผมว่าจะจะช่วยเขาได้อ่ะอคือบ้านเราเองคือบางที เ, เขาก็ไม่อยากจะกลางแผ่นที่อะไรอย่างนี้เนาะ บางทีก็ถามอะบางทีก็เข้ากูเกิลไงได้ความสะดวกของเขาได้ความที่แบบเขาเคยชินอย่างเรายังเคยชินเลยไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยเราก็แบบไปไม่ถูกเข้ากูเกิลกูเกิลแล้วก็เดินกูเกิลแมพเดินอะอย่างเงี้ยนะฮะใช่กูเกิลเองก็ยังมีข่าวในวันนี้นะเวลาได้จะหมดละยังอ้อยสัปดาห์หน้าเดลมาติดข่าวกันนะฮะไมค์คอมพิวเตอร์หมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันครั้งหน้านะจะมีเรื่องราวข่าวสารต่าง ที่พูดคุยกับเทคโนโลยีฟีเจอร์ต่างๆนะคะมาอัปเดตกันเช่นเคยคะ่ะรศักดิ์สานตระกูลเง็กพร้อมด้วยคุณปิยพงศ์เคนทวายคะ่ะต้องลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ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 「ファンタインダーメイニッパー・ドゥ・デューディー・レッド・ナイ」「カディカン・トッコン」「メイクへのん」<な>「メイファン・ロ<な> 《ただね》